รายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่างหนึ่งอดทนต่อคำสองคําสั่งสอนไม่ได้คือเบื่อต่อคำสั่งสอนสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้สามเพลิดเพลินในกรรมคุณ ทยานอยากได้สูขยิ่งยิ่งขึ้นไปสีรักผู้หญิงในแบบภิกษุสามนเณรผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่เมื่อหวังความเจริญแก่ตนแล้วต้องระวังภัยอันตรายสี่อย่างนี้อย่าให้มาย่ำยีจิตใจได้การ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระ เ, เจ้านี่มันเป็นการฝืนความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละหรือจะว่าตรงๆก็เรียกว่ามันเป็นการฝือนอำนาจแห่งตันหาซึ่งมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจของคนนั้น ท่านพอน้อมใจว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นอันตันหานมันจะต้องแสดงบทบาทออกมาเลยมาขัดข้านหรือขัดขวางทำให้เบือนายต่อคำสั่งสอนนั้นนั่นอนุภาพแห่งตันหาให้พึ่งพากันเข้าใจเราต้องตั้งฉันทะความพอใจ ที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเราจกไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นจะไม่เบื่อต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟังก็ต้องอธิษฐานในใจว่ายอย่างนี้ ไม่ใช่นั้นแล้วตัณหามันก็จะต้องแสดงมายามากระชิบให้เกิดความเบื่อหน่ายในคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามขึ้นมาทันทีแหละถ้าไม่ได้ตั้งอธิฐานใจไว้อย่างว่านั้นนะเพราะนั้นทำอะไรมันต้องอธิฐานใจท่านถึงเรียกว่าอธิฐานบารมีออ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงบารมีสิบไว้บารมีสิบนั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจในเองแหละให้ใจมันเข้มแข็ง เ, เ, เพื่อจะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาบาประธรรมต่างๆบุคคลไม่มีบุญบารมีเป็นกำลังใจแล้วมันจะสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้เลยนั่นแหละคนเราที่มันทำความชั่วอยู่ในโลกนี้ มันก็เนื่องว่าแต่มันไม่มีความดีเป็นกำลังใจเลยดังนั้นมันยิ่งถูกตันหาฉุดคล่าไปทำความชั่วโดยประการต่างๆให้เข้าใจ <c oughs> แล้วก็ทำเนียมของผู้ฝึกตนหนึ่งแล้วผู้มุ่งหวังทำความเจริญให้แก่ตนของตน อย่างนี้นะจะไปเห็นแต่แก่ปากแก่ท้องอพอหิวหยนิดนีดเน่อเขาไม่อดไม่ทนเช่นนี้แล้วการทำความดีอะไรมันก็ทำไปไม่ได้เพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะมันมีกรรมเป็นของของตนบางทีบางคนมันบุญน้อยอ อาหารการบริโภคเครื่องใช้สอยอะไรก็ขาดแคลน <c oughs> แม่บวชเป็นพระเป็นเนรมาก็เหมือนกันถ้าบุญน้อยแล้วไม่ค่อยมีใครมองเห็นมักจะอยู่อย่างอดอดอิ่มอิมไปอย่างนั้น <c oughs> เมื่อบุคคลไม่นึกถึงกรรมถึงบุญวาสนาของตนแล้วก็มักจะน้อยใจเลย <c oughs> เรานี่บวชอยู่แล้วไม่มีใครเลี้ยงเลยอย่างนี้เราศึกไปหากินเองดีกว่าอันนี้แหละได้ชื่อว่าคนไม่รู้จักกฎแห่งกรรมผู้ที่มารู้กฎแห่งกรรมว่าที่ตนเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อยแม้จะไปเป็นคฤหัสถ์มันก็ไม่มีทางที่จเจริญงอกงามได้เพราะบุญเดหอนหลังไม่มาหนุนส่ง ดังนั้นเราจะต้องสู้ทนอดกั้นอดก้อนกินเกลือไปจะได้ทําความดีให้เต็มความสามารถอเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไว้แม้ชาตินี้มันจะไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเราพอกฟูนบุญกุศลไว้ในใจให้มากมากแล้วบุญกุศลนี่จะตกติดตามไปทุกแห่งทุกหน ไ้อำนวยความสุขความเจริญให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนี่การที่บุคคลมาอดทนเช่นการบวชอย่างนี้แหละก็มีระเบียบอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้อยู่ป่านี่เพื่อนก็จะต้องปฏิบัติครักเข่งเข้าไปกวัวผู้อยู่ใกล้บ้าน เนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้านอะไรอะไรก็ขาดแคลนคนจะไปมาหาสู่ก็ลาบากดังนั้นผู้อยู่ห่างไกลจากบ้านนะท่านจึงฉันเพียงมือเดียวอนั่นแหละฉันมือเดียวเท่านั้นถือสันตุถีตามมีตามได้บินบาบได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้น อันนี้มันเป็นปฏิบัทาของนักบวชมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู้นเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำอย่างนี้ให้เป็นตัวอย่างของภาษาโวกทั้งหลายเริ่มตั้งแต่พระองค์สเสด็จออกบวชใหม่ๆนั่นเนยไปบินธบาตในกรุงราชคฤห์นั้นเขาก็เอาอาหาร ปนกับข้าวใส่บาทให้พระองค์นี่พระองค์ก็ไปนั่งอยู่ในที่สมควรที่มีน้ำพอได้ดื่มบ้างแล้วก็นั่งพิจารณาอาหารนั้นซึ่งแต่เป็นกษัตริย์อยู่นั้นพระองค์ไม่เคยที่จะได้สวยอาหารเช่นนั้นเลยทียนี้เมื่อพระองค์ เป็นนั่งพิจารณาอาหารนี่ก็ทรงเตือนตนว่ารู้ก่อนสิทธะบัดนี้ท่านไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนะท่านเป็นบรรพชิตนะจะไปเอาอาหารที่มีรสเลิศที่ไหนมาฉันเล่าธรรมราชีวิตของบรรพชิตนี่มันก็ต้องถือสันตุธีตามมีตามได้เมื่อเขาให้มาอย่างไรเราก็ต้องยินดีบริโภคขบฉันอย่างนั้น เมื่อพระ อ, องค์สอนพระ อ, องค์เข้าไปอนี้ก็ทรงฉันพัตาหารอ น, นั่นได้โดยไม่ขยักขย้งเป็นอาหารมื้อแรกทีเดียวแหละเพราะว่าพระ อ, องค์เสด็จออกบวชแล้วนั่นเกิดปีติในการบรรพชานั้นอย่างรุนแรงแล้วก็ไปพักนั่งสงบจิตอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งหนึ่งของมันละกสัต ไม่ได้ฉันประทหารอยู่เจ็ดวันก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยปีติในการที่พระองค์หวนระลึกถึงว่าพระองค์ได้หลุดพ้นจากวงแห่งมารมาได้อย่างนี้นะนับว่าเป็นชัยชนะขั้นที่หนึ่งอยู่แล้วทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เกิดปีติขึ้นอย่างแรงไม่ยอมไปเที่ยวพิขาจารที่ไหนอยู่เจ็ดวันพระองค์ก็อยู่ได้ วันที่แปดนั่นแหละถึงได้เสด็จไปวินทบาทในเมืองราชคฤห์มหานครนั้น <c oughs> และต่อจากนั้นพระ อ, องค์ก็เสด็จเที่ยววินทบาทเลี้ยงขีพมาโดยลำดับ <c oughs> จนว่าได้ตัดสูสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณพูดถึง ชีวิตของนักบวชซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วให้ระลึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นอารมณ์มันจึงจะต้านทานต่อความหิวโหวยต่างๆได้ถึงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงแบะนั้นพระองค์ก็ยอมสละความสุขเล็กๆในน้อยนั้นหมดเลย เที่ยววินทวาทมาฉันวันละมือเท่านั้นเองทรงสแสวงหาหนทางความสงบความตัดสรุแจ้งแทงตลอดสัพเพเยธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องหวนระลึกถึงพระองค์นมาเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวเราจะได้มีกำลังใจ <c oughs> เราต้องอดต้องทนต่อความหิวโหยแต่ถ้าเราทําความพอใจในข้อวัดปฏิบัติต่างๆมา น, นี่แล้วมันไม่หิวอะไรนะอพราะแต่ขอให้เรามีปีติอินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มมให้มากขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวโหยต่างๆมันหายไปหมดนี่ใครๆก็ต้องเป็นพระหนุ่มมาทางนั้นแหละก่อนที่มาเป็นพระแก่ก็ดี ก็ต้องผ่านเรื่องมือนี่มาเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจทีนี้ธรรมเนียมของผู้ที่เพิ่งหนีออกจากบ้านเรือนมาใหม่ๆอย่างนี้กินไอแห่งความสุขสนุกสนานมันก็จะติดตามมาก็ต้องระมัดระวังมเมื่อไปเห็นเขาเพลิดเพลินเจริญใจ ฟ้อนลำขับร้องดีสีตีเปล่าอะไรเข้าไปแล้วจิตใจหึกเหิมขึ้นมานึกถึงเรื่องเบื้องหลังที่ตนเคยสนุกสนานมาก็ทำให้จิตแปรปวนไปสมาธิแตกนั่นต้องระวังเป็นนักบวชนี่พระพุทธเจ้าสอนมาให้พเพลิดเพลินในการมคุณ ไม่ให้ปรารถนาความสุขอันเกิดจากกามเพราะว่าความสุขที่ได้มาจากกามคุณ น, นี่มันเจืออยู่ด้วยทุกข์เราต้องเรียนรู้บวชเข้ามาแล้วนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่หมู่นั้นแหละครองเรือนกันมาอา้าวมีเงินมีทองขึ้นมาบ้างแล้วก็ความสนุกสนานกันไปมา ไ ป, ไปหนอหนึ่งก็ตายจากกันไม่มีอะไระนี่แหละความสุขในโลกนะมันเป็นไปชั่วแล่นหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วมันก็หายวับไปต้องพิจารณาให้มันเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนพระภิกษุผู้บวชมาใหม่เนี่ยต้องระวัศรวมระวังห้ามจิตใจของตนให้ได้ เห็นเขาสนุกเพลิดเพลินกันก็อย่าให้ใจมันเพลินไปตามต้องสำรวมอยู่ภายในบริกรรมพุทธโธอยู่ในใจให้ได้เมื่อห้ามจิตนี้ได้แล้วมันก็ไม่เดือร้อนอะไรเลยอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เมื่อมันเพลิดเพลินไปแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปรักผู้หญิงนั่นเข้าไปอีกแหละ อ, อนักปวดเนี่ย ทีแรกมันก็เพลินในมหสรสดกพบเงินเห็นจะยินเสียงร้องรำขับร้องเข้าไปดีสีตีเป่าเข้าไปอย่างนี้ใจมันไม่เพิดเพลินมันไม่ยินดีอยู่แค่นั้นแบ น, นี้นะแล้วมันมันเลยไปหาเพศโกงกันข้ามน้อนอีกอย่างนี้นะต้องระวังไว้ให้ดีผู้บวชเข้ามาใหม่ มันก็รู้นัตั้งแต่มีกิเลสเหล่านี้ติดตามมาทางนั้นแหละใครก็ดีมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอ่ซึ่งเป็นคู่กับชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะตั้งแต่ตั้งเป็นชีวิตมานู่นแหละเออมันก็มีกรรมคุณนี่แหละเป็นเพื่อนพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี้บางทีก็เป็นสุขสบายบ้าง บางทีก็เป็นทุกข์สลับกันมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้สาหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะมันจะมองเห็นทบทวนดูแต่เบื้องหลังนั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วเห็นว่าจิตดวงนี้นะ่ะมันหลงมันเมาอยู่ในความสุขชั่วคราวคือสุขในกามคุณนี่มาคนานานับชาติไม่ทวนแล้วเลย แต่จนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้มันก็ยังต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่อย่างนี้นี่ผู้มีปัญญานะเมื่อทบทวนดูแล้วอย่างนี้มันจะคลายความยินดีพอใจในการมคุณออกไปจะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ มันมีหนทางที่จะดำเนินชีวิตของตนให้ผ่านพ้นไปจากความยุ่งยากต่างๆอันเกิดจากกรรมคุณดังกล่าวานั่นแหละหมายความว่ากายวาจานี้มันก็ห่างจากกรรมอาุณมาแล้วผู้มาอยู่ในวัดในวานะต้องให้ห่างนะอย่าไปคุยกันเรื่องมาตุคามเรื่องสนุกสนาน เรื่องคนนั้นสวยคนนี่งามคนนั้นขี้ร้ายอะไรพวอนี้อย่าไปเอามาพูดกันเนเอยต้องต้องงดเลยทีเดียวจะเอามาคุยกันเล่นเหมือนอย่างเป็นครือข่านั้นไม่ได้ผิดวินัยของสงฆ์ของพระให้พึงเข้าใจท่านเรียกว่าติระฉานวิชาติระฉานากักขาคือคําพูดต่ําไม่เขาว่างั้นแหละเอคำ คำพูดอยู่ในขั้นตำ่ำไม่ใช่เป็นคำพูดที่สูงให้เข้าใจคำพูดที่สูงนั่นอ่ะเราพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญกุศลทำอย่างไรเราจึงจะได้บุญได้กุศลทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากอำนาจแห่งตันหานี่เมื่อคุยกันสนทนากันอ่ะเราต้องปรารบอย่างนี้ แต่เท่าที่สังเกตมาแล้วมันไม่ได้ปารบกันเรื่องอย่างนี้เลยนะอะผู้ใดเคยยึดถืออารมณ์ใดมาแตในาอดีตแล้วมักจะเอาเรื่องอดีตอันนั้นแหละเรื่องนั้นมาคุยกันมาอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันไปมาอยู่นั่นนะ่ะอันนั้นต้องเอาทอดเอาทิ้งไว้บ้านนู่นเรื่องต่างๆที่เป็นอดีต ก่อนที่จะมาบวชนี่นะ่ะให้เอาทิ้งไว้บ้านนู้นอย่าไปเอามาอยู่ในวัดอืมอย่างนั้น <c oughs> จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เพลิดเพลินในกามคุณไม่ทะยานอยากได้สุขในกามคุณแบบนี้นะอยากได้นิรามิตสุขคือสุขไม่ได้อิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของ อันการเป็นนักบวชนี่นะให้เข้าใจให้ตั้งใจลงว่าเราจะเสวงหานิรามิสุขคือสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยกรรมคุณพูดง่ายๆสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกรรมคุณก็คือสุขอันเกิดจากความสงบใจใจสงบแล้วไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตออมีสติประคองกิดให้สงบนิ่งอยู่ในปัจจุบัน อันนี้แหละท่านเียว่าความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยกรรมคุณนะเป็นความสุขอันสดใสเนื้อพึ่งพากันพอใจสแสวงหาความสุขดังกล่าวนี้ <c oughs> ก็ดังที่เรารู้เราเห็นกันมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราผู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้านาอาเป็นชาวบ้านร่วมสุขร่วมทุกข์กันมานี่นะเราเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอ พวกบริโภกรารมคุณเนี่ยได้สเสวยความทุกข์อย่างเผ็ดร้อนเลยต้องกลกกกมลำบากทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่มไม่เช่นนั้นล้วก็จะพาครอบครัวอดอจะพากันอดหิวโหวยไป ก็จําเป็นแหละต้องสู้ทนทรมานแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้ที่เขาถล่มเข้าไปอยู่ในการครองเรือนแล้วมันจะถอนตัวออกไปก็ไม่ได้ทีนี่เพราะมันมีเชือกผูกมัดรัดลึงเอาตั้งหลายเส้นเหลือเกินบัดนี้พวกเราที่ได้มาบวชกันในล้วนจะเป็นคนโสดทั้งนั้นเลย ไม่ได้มีพันธะอะไรเช่นนี้นะมันก็นับว่าเป็นลาบอันดีของพวกเราทั้งหลายแนวควรพากันพยายามฝึกตนไปทำใจให้สงบระ ง, ง, งับลงอย่าให้จิตมันเพ่งไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั้นอันนั้นแหละขอให้เตือนตนว่า มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้ถอนตนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องดีการทรงจิตใจไปยินดีพอใจในรูปเสียงเป็นตน้นดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์แน่นอนเลยโตพี่นาดูส์จริงไหมออที่พูดเนี่ยโตพี่นาให้มันเห็นด้วยใจของตนเอง ถ้าพุทธาพี่นาเห็นแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่เพลิดเพลินไม่ประ ม, มาทเลยแบบ น, นี้นะจะตั้งใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเลยอนะืมอย่างนี้แหละพิกถูกผู้บวชเข้ามาใหม่แล้วต้องระมัดระวังอันตรายสี่อย่างนี้อย่าให้มันไม่มาย่ำยีได้ <c oughs> เมื่อระมัดระวัง เมื่อให้มันมาย่ํำยีได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์นี่มันก็ไปได้สะ ด, ดวกไปได้คล่องตัวอะไรไปเดียวทีเนี้แล้วก็สมกับว่าทําตัวเป็นคนผู้เดียวจริงๆแบบนี้อกายเดียวใจเดียวแท้ๆแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นกายเดียวแล้วใจสองใจสามไปนู่นอัะ น, นั้นไม่ใช่วิสัยของสมณะเออ กายนี่ก็มีก้อนเดียวเท่านี้ใจก็มีดวงเดียวก็ให้ภาวนาลงทำใจให้มันเป็นดวงเดียวให้ได้ออนอกจากไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็พากันจับตำรับตำราท่องจำอรรถสูนย์นักธรรมนะอย่าพากันประมาทต้อตงเรียนนักธรรมอ่ะบวชเข้ามาแล้ว เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมันไม่เหลือวิสัยอะไรเลยไม่ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปนนั่งภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเป็นเช่นนั้นไม่ถึงเวลานั่งภาวนาคนนั่งไปเมื่อออกจากภาวนามาแล้วก็ต้องดูตำรับตําลาต้องท่องบนจดจําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ การที่เราจำอภธรรมวินัยคำสองของพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นต้นทางที่ไปสู่สวรรค์และพระนิพพานมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ท่องไม่จาไม่รู้ทำไม่รู้วินัยก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักต้นทางไปต้นทางไปสวรรค์ไปพระนิพพานเลยเป็นอย่างนั้น บวชเข้ามาอย่างนี้ก็บวชเข้ามาอยู่ไปตามยถากรรมไปเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมารู้เท่าทันกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจะต้องถูกกิเลสกิเลสนั้นฉุดคล้าไปอยู่ไม่ได้บวชเข้ามาไม่ทันเลก็ดิ้นอยากสึกหาลาเพศไปแล้วแต่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่านั่นแหละ ใจไม่ได้จดจ่ออยู่ในธรรมวินัยปล่อยใจให้พุ่งไปในบ้านในช่องไปนู่นออให้พุ่งไปในเรื่องอดีตอนาคตนู่นไม่ได้กำหนดใจอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละจึงถูกกิเลสตัณหามันฉุดคล้าเอาไปบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ดิ้นแล้วนี่อย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราอ่ะต้องสู้ตายเอืม ไม่เคยตายเหรือตายมาแล้วนับชาติไม่ทวนแล้วเราสู้ตายสู้กับกิเลสตันหาเอาจนมันตายลองดูเปยังไงอ่ะนี่ที่เราตกเป็นทาสของตันหาบุคคลผู้ตายด้วยอำนาจแห่งตันหานี่นับคะแนาไม่ทวนเลยบัดนี้เรามาสู้กับตันหาเอาจนตายลองดูเปยังไงอ่ะเออมันจะไม่ไดีเหรืออย่างนี้นะ ให้เพึ่งพากันเตือนตอนสำเนียกตอนอย่างนี้เพราะว่าคนที่เขาตายเพราะตันหาเนี่ยมันเหลือที่จะคานานาหน้าแล้วแหละในโลกนี้นะอืเอ้าตันหาไปดื่มเหล้าเมาสุรามาแล้วเกิดทะเลวิวาทพิเถียงกันยิงกันตายนั่นก็ตันหาเลยนะตันหามันชอบเมาอืมทีก็นั่งรถไปขับรถไปลดความตาย มือเนีมีอยู่ดา่าดื่นเลยเกือบแทบทุกวันเหล้วันเถอะเออแล้วแล้วทำไมอ่ะพวกเราที่เป็นนักบวดเนี่ยเรจะยอมสละชีวิตสู้กับตัณหาเอาชนะตัณหาไม่ได้เหร อ, อนี่ให้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่แล้วมันคลีชีวิตเพื่อตัณหานี่มัน เหลือที่จะขนาดานับแล้วนะวันนี้พวกเราเนี่ยคนหมู่น้อยเนี่ยเราครีชีวิตเพื่อต่อสู้กตัญหาจะไม่ได้เหลอนี่ถามตนเองเอาพระพุเทธเจ้าพระองค์ก็พรีชีวิตเพื่อเอาชนะตัญหาตอนเสด็จออกบวชอดนอนผอนอาหารสูผ้ผอมยังแต่หนังติดกระดูก น่นเมื่อไม่เห็นว่าไม่ใช่ทางศัตรูแล้วก็จึงแสวงหาทางอื่นเมื่อพบทางศัตรูแล้วพระองค์บำเพ็ญไปก็ได้ศัตรูตามพระประสงค์จริงๆนี่ก็เพราะว่าพระองค์ตัดสินใจสละชีวิตเพื่อพระโพธิญาณโดยตรงถ้าไม่ได้บรรลุโพธิญาณก็ตายเลยนี่พระองค์ยอมตายเพื่อพระโพธิญาณ ตามประวัติความเป็นมานั้นเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราไม่ได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสาวกเราก็ต้องปาถน า, าตายเพื่อละกิเลสตัณหาสู้กับกิเลสตัณหาเอาถ้าหากว่าเราเอาชนะตัณหาไม่ได้ก็ตายถ้าหากว่าเราไม่ตายตัณหามันก็ตาย นี่ตั้งใจลงอย่างนี้ทีเดียวแหละถ้าผูใ้ใดตั้งใจลงอย่างนี้แล้วมันเอาชนะได้แน่นอนเลยอะอืมไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าอสอนเรื่องอันตรายของภิกษุษสามเณรผู้บวชใหม่ให้อดทนต่อคำสั่งสอนแบบ น, นี้โกงเงินข้า ม, อ, มอย่าไปเบื่อหน่ายต่อคาสั่งสอน เพราะว่าคำสั่งสอนนั้นร้วนแต่เป็นคำสั่งสอนที่สอนให้คนเราละชั่วทำดีทั้งนั้นเลยจิดไปเบื่อทำไมหลอก็ก็เรายังละความชั่วไม่ได้นี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าความชั่วมันเป็นอย่างไรแต่ลาพังปัญญาของตัวเองก็ไม่รู้จักเลยต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระเจ้านี้นะจึงได้รู้จักว่าความชั่วมันเป็นอย่างนี้นี่ นั่นแหละเมื่อเราได้รู้แล้วพระองค์ชี้บอกแล้วอย่างเนี้ยชี้แสดงให้เห็นถึงโทษแห่งความชั่วต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาตามที่พระองค์เจ้าแสดงไว้มันก็ต้องเห็นตามแน่นอนทีเดียวเห็นว่าความชั่วนี่มันมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างเดียวไม่มีละมันจะยานวยผลให้เป็นสุขไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทจะไปสะสมความชั่วไว้ทําไมอ่ะ นี่เขาสอนจนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อได้ฟังคําสอนของพระเทเจ้าแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับความชั่วเอาจนชนะความชั่วดต่างๆให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็อดกั้นทนทานทําความดีไปไม่ท้อไม่ถอยอนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่เห็นแก่หับแกนอนเออ ไม่เห็นแก่เจ็บแก่ปวดขอนั่งภาวนาไปเจ็บปวดนิดหน่อยก็ไม่อดไม่ทนกลัววจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่ออะไรขึ้นมาไอ้อย่างนี้นี่มันใช้ไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างว่านั้นนไม่ต้องกลัวเพราะว่าบุคคลผู้ไม่นั่งภาวนามันก็ตายเห็นกันอยู่ด่า ด, ดื่นแล้วไม่ใช่เหรอ เออเต้นสามศอกออกสาวา่าเอ้าฟ้อนลำขับร้องดีสีตีเป่าสนุกสั้นานล่าเริงบันเทิงหมู่นั้นนึกว่าเขาจะไม่ตายโอ้ยที่แท้มันก็ตายเหมือนกันเลยอะนี่เพหมะนั้นใครอยู่ที่ไหนมันจะไม่ตายมีเหลือโลกอันนี้ะว่างั้นสอนตนเข้าไปอย่างนี้ที่นั่งสมาธิภาวนานี่ ถ้าบุญกรรมยังไม่หมดมันก็ไม่ตายนั่งอยู่หมดคืนมันก็ไม่ตายบุญมันหล่อเลี้ยงไว้ถ้าบุญหมดแล้วใครจะอยู่ในภาวะเช่นใดก็ตายใครเชื่อลงนี่ก็แล้วกันเนี่อถ้าถ้าบุญหมดแล้วนะแม้จะนอนอยู่เฉยจะไม่ทรงทําอะไรมันก็ตายออมันเป็นอย่างนั้น ว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมแท้ๆนะ